อะไรเกิดขึ้นในร่างกายเคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเคอยรู้สึกอย่างความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเคอยรู้สึกต่อไปนั่งนั่งอยู่นะ <S <s <ans> <S เกิดปวดเกิดเมื่อยขึ้นมาเนะี่ยกําลังเผลอๆ อ, อยู่มันปวดขึ้นมาปุ๊บสติะระลึกได้เลยหายเผลอลสติะระลึกได้ก็หายเผลอกําลังเผลอๆ อ, อยู่นะมือขยับไม่ได้เจตนาเลยนะมือขยับนะั้นสติะระลึกได้หายเผลอ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 แรกก็จะได้ศีลจะได้สมาธินะแล้วก็จะได้ปัญญาต่อไปค่อยฝึกนะปัญญาเป็นตัวความเข้าใจนะถ้าเรามีศีลเนี่ยกายวาจาของเราจะเรียบร้อยยกเว้นแต่มีวาสนาในทางกระดกกระเดกถ้ามีวาสนาในทางกระดกกระเดกนะถึงมีศีล น, นะกายวาจามันก็กระดกกระเดกเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะอย่างพระอราหันต์บางองค์ไม่เรียบร้อยหรอกนะไม่ได้เรียบร้อยเป็นภาพภพับไว